จิตเป็นกรรมนิยะหรือกรรมนีแปลว่าควรแกงานหรือเหมาะแกการใช้งานยิ่งได้ประโยชน์ในข้อหนึ่งมาช่วยเสริมคือมีจิตใจผ่อนคลายหายเครียดเกิดความสงบหายกระวนกระวายยั้งหยุดความกัดกลุ่มวิตกกังวลก็ยิ่งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีกประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวันข้อ 3. ช่วยเสริมสุขภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้